นนอาจารย์พรคณะครูและก็ผู้ปกครองผุ้ท่าน <c oughs> พวกเราถุกควบคุมตระหนักว่าธารรมะที่กับชีวิตนี่เป็นเรื่องสองคำคัญ แล้วพูดถงชีวิตเนี่ยนะก็มีการเปรียบว่าเป็นการเดินทางชีวิตคือการเดินทางเราจึงใช้คาว่าดาเนินชีวิตนดาเนินก็แปลว่าเดินนั่นแหละเพาว่าดําเนินชีวิตนี่มันมอบอกในตัวว่าชีวิตคือการเดินทางแล้วก็ไม่ได้เดินทางด้วยรถเดิน แต่ว่าเดินด้วยเท้าในการที่จะเดินด้วยเท้าเนี่ยมันต้องอาศัยความสมดุลของเท้าสองเท้าขาสองขาเร า, าจะเดินได้ต้องอาศัยการทรงตัวให้สมดุลบนขา ทั้งสองข้างตั้งข้างใดข้างหนึ่งนะหายไปหรือว่าไม่มีความพอดีกับขายข้างหนึ่งทั้งการเดินก็เป็นเรื่องอยากการเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องการตอบควอมให้อยู่บนสมดุล ระหว่างสิ่งสองสิ่งสิ่งสองเือคืออะไรนะมันมีหลายคู่ที่เดียวนะที่ต้องทำให้เกิดความสมดุลถึงจะจำนวนชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็พาไปถึงจิตหมายสองสิ่งแรกก็คือกายกับใจกายกับใจ คนเราทุกคนก็มีการสัจใจทั้งนั้นถ้าการกัจใจไม่สมดุลการดำเนินชีิก็ประสบปสสาวะแต่ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำมัญกับกายมากจนละเลยจิตใจไป แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราลองพิจารณาใครควรตัวเราว่าเราให้เวลากับใจแค่ไหนส่วนใหญ่เราให้เวลากับกายมากเรามีเวลาสำหรับการชํราระร่างกายให้สะอาดแต่ว่าไม่ค่อยหาเวลา หรือให้เวลากำรับการชระจิตใจให้หอมใสเรมีเวลาสำหรับการหรือว่ามีความจาเป็นของการถ่ายของเสียออกไปจากายแปลว่าของเสียจากใจเนี่ยเราเคยให้เวลาหรือตระหนักถึงความจาเป็นในการทจะรบายออกไปรปอเปลา และทวันนี้นี่ก็มีการมีคนที่ยมไปนิฟฟ์อกกันมากนะดอกก็คการขับถี่ออกไปจากร่างกายแต่ว่าไม่ค่อยมีการขับถี่ออกไปจากใจเท่าไหร่เราให้เวลามากมายสำหรับการประดับประดาร่างกายทําให้ร่างกายสวยงามแต่เรา ให้เวลาสรักการทำให้จิตใจของเรางดนามรางน้อยแค่ไหนวันหนึ่งวันหนึ่งเนเราดูรูปร่างหน้าตาของเราในกระจกเนี่ยกี่ครั้งแล้วเคยมีการทําวิจัยนะในวิจัยเรามีการสอบถามความเห็นถ้าเป็นคนอังกฤษนี่ก็ประมาณวันลสามสิบครั้ง ก็เรีกกิดพื่อครึ่งชั่วโมงแต่ว่าดูใจเนี่ยเราที่จะดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยดูบ้างไหยดูใจของเราเราดูแต่หน้าตาตัวแต่ไม่แค่ที่ถึงการดูใจเัืนเท่าไหร่มาวันหนึ่งนี่เราให้เวลาสอบการเตริมอาหารในร่างกายเนี่ยหลายชั่วโมงนะเริ่มแต่การ เตรียมอาหารการไปซื้ออาหารอาหารมาปรุงเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงแต่เราเคยพิจารให้อาหารใจต้องรืปล่ากิงถ้าเราดูนะยี่สบี่ชั่วโมงเนี่ยมันหมดไปกับเรื่องกายเยอะแต่ชั่วโมงที่เราพนะักพออน่ะมันพักกายนะแต่ว่าไม่ค่อยจะพักใจเท่าไหร่ บางคนหลายคนหลับก็ยังเกือยองฝันใจไม่ได้พักผ่อนเลยนะตื่นขึ้นมาก็ฟุง้งกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งใจทำงานตลอดเวลาแนตะ่ที่กายได้พักผ่อนที่จริงแม้กระทั่งอาชีพการงานหรือการรมาตีนของเราเนี่ยก็โดยและแตเป็นการหาสนองความคนลเปลอร์ ร่างกายหรือว่าหาสิ่งอำนวยความาสะดวกมาให้กับร่างกายมากกว่าแตนะ่เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านรถจนนะสิ่งอำนวยความาสะดวกตู้เย็นโทรทัศนะ์มันเป็นไปเพื่อการเปิดโผยร่างกายช่วยเยอะนะตาตัวดวงลิ้นกาย มีเวลาน้อยมากนะที่เรานะจะใช้ไปเพื่อการดูแลรักษาจิตใจยกตัวอย่างมา ย, ย่อะๆนี่ผมจะเห็นได้ว่ามันมีความไม่สมดุลกันมากระหว่างกายกับใจเราเทไปในเรื่องของกายเยอะแต่ใจนน้อยแในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการผ่อนคลายจิตใจแต่ว่ามันก็เป็นเป็นการสนองกายเส่นมาก จะเป็นมากที่เราต้องทำให้เกิดความสมบูรณกันระหมังกา ร, กการตัดใจการดูแลจิตใจการเติมอาหารใจการดูจักเอาขยะอารมณ์หรือว่าพิดออกไปจากใจเป็นสิ่งสำคัญสมาธิภาวนาะนันก็เป็น วิธีการที่จะทําให้ความสมบุลเกิดขึ้นระหว่างการหัยใจจรู้จักพักใจตามลมหายใจเข้าออกในพบความสงบเยน็นหรือแม้กระทั่งการรู้จักได้เติมความโซ่ให้กับจิตใจผ่านการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดที่อิงศิลปะเนี่ยมันก็มีส่วนในการบำรุง จิตใจได้ศิความันไม่ใช่เุีแค่ความเพื่อเพลินแต่มันสามารถช่วยให้ใจผันคลายหรือว่าความรู้ประเทืองอารมณ์ได้ด้วยแต่ที่นี้สุดก็คือสมาธิภาวนานการเจริญสติซึ่งก็ทำได้หลายวิธีนอกจากความสุเรื่องของการตัดใจแล้วเนี่ย เราลองมาดูสิ่งที่รั้วใจนะก็จะพราะว่ามันมีความไม่สมดุลกันหรือคู่หนึ่งนะระหว่างเหตุผลจบอารมณ์หรือระหว่างความคิดกับความรู้สึกหรือจะพูดจะเป็นรูปธรรมก็คือระหว่างสมองกับหัวใจนะสมองทำหน้าที่คิด ใจทำให้ทำนาที่รู้สึกตนะ่วนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะใช้ความคิดเยอะมีเหตุผลมากคิดเก่งคิดไวนะแต่ว่าใจเนี่ยหรอารมณ์เนี่ยไม่ค่อยจะรับการพัฒนาเท่าไหร่เต่ผลนี่ น, นะมีมาก แต่ความรู้สึกจะไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเรารู้ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้หมดรู้เยอะแต่ใจไม่มีเรื่อวไม่มีแลงที่จะทมสิ่งนั้นเราเคยได้ยินคำพูดที่ว่าสมมติดีว่ า, วาดีชั่วรู้หมดแต่กดใจไม่ได้ ดีชั่วรู้หมดเพราะว่าความรู้เยอะนะแต่อดใจไม่ได้เพราะว่าใจไม่มีกำลังก็เลยตกอยู่เป็นเบี้ยร่างทีเล็กเด็กๆ ก, ก็รู้ดีนะว่าการทำการบ้านการขยันเรียนเป็นของดีแต่ว่าาข้ามใจไม่ได้นะเวลามีสิ่งยั่วยุมา ก็ไปใจไม่สามารถจะต้านทานสิ่งดั่วยุนั้นได้สิ่งดั่วยวนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าเล่าบุหรี่ไม่ดีนะแต่ห้ามใจไม่ได้ใจไม่มีกําลังที่จะต้านรั่วจิกไม่ดีมีจิกไม่ดีนะแต่ว่าก็ปล่อยใจนะไปตามอำนาจความอยาก อันนี้เรียกว่าใจเนี่ยไม่มีพลังทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหลายคนก็รู้นะว่าให้เวลาเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊กมากๆไม่ดีแต่ว่าห้ามไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเ a c e b o o k วละหลายชั่วโมงเจ็บเนี่ย ก็รู้ว่าเกมออนไลน์เนี่ยรู้มากๆมันเสียเสียการเรียนไม่ได้นันแน่ได้นอนรู้แต่ห้ามใจไม่ได้พวกเราทุ้คนรู้ว่าโกรดมไม่ดีใช่ไเกลยดไม่ดีใช่ไหแต่ว่าไปกับมันทุกทีอันนี้คือความหมายจะมาเรียกว่ามันมีความไม่สมดุลหรือช่องว่างระหว่างใจผลกับอารมณ์ หรือว่าความคิดกับความรู้สึกสมองกับหัวใจนะซึ่งอันนี้ส่วนก็เป็นเรื่องของระบบการศึกษาเพื่อที่ไปไปพัฒนาเรื่องของการใช้ความคิดมากนะเด็กนี้ตอนนี้มันก็เด็กสมองโตนะสมองโตแต่ใจรีบใจไม่มีกาลังใจในที่มาถึงเรื่องของอารมณ์ เรื่องนี้เนี่ยนะมันคือมีการพูดกันมากขึ้นของเรื่อง EQ EQ เนี่ยไม่ใช่ IQ นะั IQ นี่เป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะ Intelligence Quotient EQ ก็คือ Emotional Emotional Quotient ก็คือว่าพัฒนาการทางทางอารมณ์ ก็คือว่าเป็นคนที่ใจเย็นมีเมตตามีความวดกลั้นเจิตมีพลังนะทำทำทำํในําในสิ่งที่เห็นว่าดนะีไม่ใช่ว่ารู้ว่าดีแต่ทำไม่ได้เพราะว่าใจข่อนแอไม่มีกำลังถูกกิเลสชักพาไปการศึกษาทุกวันนี้เป็นในเรื่องเป็นในเรื่องสมองมากนะ รูปของเราเนี่ยไลน์ของเราเนี่ยวันหนึ่งเรียนกี่ชั่วโมงนะเรียนในโร ง, งเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไปต่อไปต่ อ, อตอนเย็นอีกแล้วสาวที่ก็เรียนอีกและสิ่งที่เรียนก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการให้ความรู้การใช้ความคิดแล้วก็รวมเป็การท่องจําด้วย แต่ว่าสิ่งที่จะใช้พัฒนาอารมณ์เนี่ยน้อยนะเาจมาประทับใจนะที่โรงเรียนวชิรี้เนียโรงเรียนวชิรี้เนี่ยมีคนไทยไปไปดูงานเยอะนะเป็นหมื่นแล้วก็หลายหมื่นด้วยวชิรจี้ก็ทํางานหลายอย่างนะทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาล ท, ทั้งการรับสิ่งแวดล้อง แล้วก็ลักษณะเด่นหรือว่าจุดที่กระทบใจหลายคนเวลาไปโรงเรียนนั่นหมางถึขงของถิ่นที่ไต้หวันก็คือว่าเขาไม่ได้สอนแต่เรื่องของวิชาการแต่ ก, ก็มีการเรียนหรือกิจกรรมที่ประเทองอารมณ์ด้วย mm. เช่นชมชาจัดดอกไมนะ้รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กไนีไปทำจิตอาสา อันนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนา EQ หรือว่าเป็นการบำรุงนะให้เกิดพัฒนาการทางอารมณ์และก็ทางหมายเทยาลัยทนท์โรงเรียนแพทย์นะก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องของทฤษฎีทางการแพทย์นะอย่างที่เป็นการทั่วร์โ ล, ลทั้งเมืองไทยนะัเรียนนักเรียนแพทยทก็ต้องรู้จักชมชามีมีมีวิชาชมชามีเครื่องเวลาการจัดดอกไม้ เพื่ออะไรฮะเพื่อพัฒนาจิตให้ระเบียบระไมให้ให้มีสมาธิรวมทั้งการได้เรียนรู้ชีวิตผ่านการชมชาผ่านการจัดดอกไม้มันเรียนได้นะอย่างเช่นครูก็สอนเด็กนะว่าเนี่ยดอกไม้ที่มันงามเนี่ยนะ่ า, ะามันมีใบ มันมีใบใหญ่มันมีดอกใหญ่ที่คอยรองรับเอาไว้แต่ละใบแต่ละดอกสวยได้เพราะมันมีมันมีใบอื่นที่คอยรองรับเอาไว้หมายความว่าที่เราเด่นที่เราประสบความสเร็จได้เนี่ยเพราะมันมีคนคอยช่วยคอยเป็นฐานรองรับสนับสนุนเพราะั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักสนันึกบุญคุณ ของผู้อื่นด้วยเนี่ยเขาก็สอนเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเออสอนเรื่องคติทําการใช้ชีวิตจากการจัดดอกไม้แต่ว่าหัวจะสมาธิการช่วยพัฒนาการในทางอารมณ์แต่สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากการศึกษาสวัยใหม่พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกมีความรู้เยอะ แต่ไม่สนใจพัฒนาการทางอารมณ์ลูกของเราหลายของเราหลายคนก็จะเป็นคนที่สมาธิสัน้นจับจดอารมณ์เสียง่ายก้าวร้าวนะรวมทั้งท่ายแพ้ต่อสิ่งเี่อายุมากหากข้ามใจไม่อยู่รวมนั้งเหงแก่ตั ว, ตวไม่มี ความเมตตาหรือว่าความาใส่ใจถึงผู้อื่นอันนี้มันสะท้อนถึงความไม่สมดุลระหว่างสมองกับหัวใจระหว่างเหตุผลกับอารมณ์แล้วเวลาพูดถึงอารมณ์เนี่ยมันก็เลยเราก็เลยพึกถึงจัตของอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดปิดใาใจร้อน เพราะว่าอารมณ์ที่มันเป็นบวกเนี่ยเราไม่ค่อยได้นึก ถ, ถึงเท่าไหร่อันนี้ก็เพราะว่าการสอนการเลี้ยงดูละเลยตรงนี้นี่จะเป็นมากที่จะต้องเติมตรงนี้เข้าไปนะพัฒนาการทางทางทางอารมณ์ ซึ่งรวมไปถึงการที่รู้จักเท่าทันความคิดด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยคิดเก่งคิดเร็วแต่อยู่คิดไม่เป็นวางความคิดไม่ได้เป็นเงินเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นจึงเกิดอาการนอนไม่หลับนะเวลาจะนอนมันหยุดความคิดไม่ได้ มันเหมือนรถที่วิ่งเร็วเพราะเครื่องแรงแต่ไม่มีเบรกคุณอยานั่งไหมรถแบบนี้นะรถที่วิ่งเร็วแรงแต่ไม่มีเบรกขัเรถความคูนจะไม่ยอมนั่งเลยนะรถแบบเนี้ยฉันเคยพูดนะถ้าขับรถ120กูก็ไม่นั่งแล้วนะแต่ถ้ามันยัง120จะมีเบรกนะก็ยังน่านั่งนะ จิตใจคนสมัยนี้เนี่ยนะโ mm hmm. ดยพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เหมือ hmm. นกับรถที่แรงแรงก็คือว่าคิดเก่งคิดไวแต่ไม่มีเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็าจะาลงครูหรือว่าลงห้วยไดง่าย <c oughs> ต้องเติมเบรกนะให้กับรถของเราก็คือว่าให้รู้จักยั้งคิด ซึ่ก็คือมีสติสตินี่ก็เป็นเป็นคุณสมบัติทางอารมณ์อย่างนึคนทุกวันนี้เปรี่ยนเหมือนกับการเหมือนกับคนที่เก่งในการพาเครื่องบินเนี่ยขึ้นฟ้าสยายขึ้นฟ้าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงอย่างไรเครื่องบินคนขับที่พาเครื่องบินเนี่ยทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ เอาลงไม่ได้ไม่รู้จักซอฟต์แลนดิงเนี่ยนะก็อันตรายมากความสามารถชนิดนี้เอาไว้ใช้ได้เดียวคือว่าขับเครื่องบินพุ่งพุ่งชนตึกอย่างตึก World t ท a d e ที่พังเนี่ยไอเหตุการณ์สะเบกัญญาเนี่ยก็เพราะเกิดจากนักบินที่เขาไปเรียนมาเฉพาะการเอาเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่เขาไม่ได้เรียนเรื่องการเอาเครื่องบินเนี่ยลงนะ อันนี้เป็นเป็นคําเป็นคําให้การของของของครูสอนผู้ ก, ก่อการลายซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ ก, ก่อการลายนะที่มาเรียนในอเมริกาแล้วเขาก็แปลกใจทาไมหมอนี่มันเรียนแต่เอาเครื่องบินขึ้นนะมันไม่ไดเอาเครื่องบินลงด้วยแล้วเขาก็รู้อ๋อเป็นเพราะเขาต้องการเอาเครื่องบินเนะไปชนตึกโรตเรย์แต่เดี๋ยนี้คนหลายคนก็เหมือนกับเครื่องบินที่มัน มีแต่พุ่มชนชนตึกอะนวไม่ได้พาคนเนี่ยลงมาสู่ขึ้นเดินอ ย, ย่างปลอดภัย <c oughs> คิดเก่งคิดคิดเร็วคิดไวดีแล้วนะแต่ว่าต้องต้องรู้จักปิดคิดได้วางความคิดได้เวลาสังเกตไหมเวลาตั้งสมาธิเนี่ยเราอยากจะให้ใจมันหยุดใช่ไหมเราอยากจะวางความคิดแต่มันไม่ยอมวาง ไปโน่นไปนี่แล้วเราก็เลยสึกการนั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ทรมานมากเพราะจันทร์ไม่อยู่เลยอันนี้ก็เพราะถึงเพราะมันจะทอนความการขาดสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจระหว่างการที่คิดเก่งคิดเป็นคิดเร็วแต่ว่าวางความคิดไม่ได้การทาการทางลมนี่ไม่ช่วยทําให้สามารถจะรู้ทันความคิดได้ด้วยไม่หลงเชื่อความคิดไปทุกอย่าง คิดเก่งคิดไวแต่ไปลงเชื่อความคิดมันก็มีปัญหานะหลวงพ่อขรมาหลวงพ่อคำเขียนต้อเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมีมีพระหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยพี่ชายพามาปฏิบัติกับท่านเขาไม่กวดใจะี่อืนมานะี่ยแล้วก็พี่ชายพามาปฏิบัติพระหนุ่มท่านทางก็หน้าตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เศร้าหมองเครียด ท่านก็เลยให้ไปปฏิบัติไปเดินจงกรงไปยกมูลสร้างจังหวะแค่สองวันเขาก็มาหาลพ่อมามาขอสืบหลวงพ่อก็ไม่อยอมให้สืกกบก็ไล่พวกกลับไปปฏิบัติสพักเขาก็มาใหม่เพราะว่าเขาจะขอสืบเพราะว่าเขารับปากพีชายว่าเขาจะมาบวชนี่เขาก็บวชแล้วนะเขาไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัติ ก็บวชเพื่อพอรับปากพี่ชายไว้ตอนนี้บวชแล้วจะขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกไล่กลับไปปฏิบัติก็ก็ไม่พอใจหมายไปสักชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่ยืนกลาจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรพาให้คุณมาหาผมจึงก็นั่งคิดยืนคิดสะพ้ายว่ า, วาความคิดครับหลวงพ่อท่านก็เลยถามว่า มันคิดแล้วเนี่ยต้องเชื่อตามความคิดทุกอย่างเ่ยถ้าคุณทำตามความคิดทุกอย่างนี้คือไม่แยกเลยแล้วพ่อก็ไม่ไม่ยอมสึกไให้เขาก็ไม่พอใจพรรุ่ขึ้นเนี่ยเช้าตรู่เลยพ่อก็เห็นหลวงพ่อเขาก็รีบมาหาหลวงพ่อเลยนะแต่คันนี้ไม่ได้มาขอสึกนะมากราบเพื่อขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ทัดทายเขาเนี่ย เขาคงจะไปฆ่าคนแล้วเนี่ยสองคนพราะตลอดเวลาสองวันที่เขาอยู่ที่วัดเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องว่าจะหาปืนมาจากไหนและจะฆ่าคนสองคนนี้อย่างไรฆ่าเรจแล้วจะหนีไปอย่างไรคนสองคนนียจะเป็นผู้หญิงแการ์ท่าหรือว่าชายชูแต่พอหลวงพ่อทวงเขาเนี่ยว่าจะไปเชื่อความคิดมันทุกอย่างเนี่ยเขาก็เลยได้สติขึ้นมา ก็เลยรู้ว่าถ้าตามความคิดแล้วเนี่ยเขต้องตายแน่ต้องแยกแน่นนก็เลยมากราบต่อคุณคลวงพ่อแล้วก็ไม่สืบ แ, แล้วก็บวชต่ออีกหลายปีนะจนกระทั่งรู้สึกว่าจะมรดักภาพใบบผนหนึ่งคนเราเนี่ยนนทนหลวพ่อท่านพูดเนี่ยคนเราถ้ามันคิดแล้วต้องทําตามความคิดทุกอย่างอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าเราทําตามความคิดทุกอย่างเนี่ย มันก็แย่จากคสมัยนี้เนี่ยพอคิดอะไรเนี่ยพอมีความคิดเกิดขึ้นเนยมันทําตามความคิดหมดนะแล้วก็หลบเชื่อความคิดง่ายๆก็เลยเข้ารถคข้าพงเราจะเป็นความคิดเนี่ยนะมันมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เร็วนะไม่ใช่เงินเท่านั้นที่เป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เร็วความคิดก็เหมือนกัน เป็นบบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าเราใช้ความคิดเพื่อแจ้งปัญหานี่อันนี้ดีแต่ส่วนใหญ่ในปอยให้ความคิดเนี่ยมามาเป็นนายเรามามาสั่งให้เราดา่ามามาสั่งให้เราเกลียดมามาสั่งให้เร า, าทำร้ายผู้คนสั่งให้เราเขียนคอมเมนต์นะด่าใครต่อใครในเพนะื่อสปุเสร็จแล้วก็ต้องรับกรรมในภายหลัง ที่เป็นเพราะว่าป่อยให้ความคิดเป็นนายและที่ความคิดเป็นนายเนเพราะว่าไม่มีสติไม่มีความรู้จักยั้งคิดซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ขันติก็ดีสติก็ดีคูนี้เนี่ยตัอยู่ในฝ่ายอารมณ์พ <c oughs> ุทธศาสนาเนี่ยท่านจะ่ใช้คำว่าสมาธิสำหรับ ในความหมายที่เป็นการอะไรก็ตามที่เป็นการพัฒนาอารมณ์เนี่ยจะอยู่ในฝ่ายสมาธิศีลสมา ธ, มาธิปัญญาศีลเป็นเรื่องของการเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจาสมาธิและปัญญาเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของใจสมาธิเป็นเรื่องของการพัฒนาทางอารมณ์ส่วนปัญญาเป็นพัฒนาการทางทางปัญญาทุกวันนี้มันมีความไม่สมดุลกันมากนะระหว่าง สมองกับใใหัวใจระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ความคิดกับความรู้สึกบางครั้งเวลาทะเลาะ ก, กันเนี่ยใช้ความคิดกันมากเลยใช้เหตุผลหมอประเสริฐผลการพินนะเป็นจิตแพทย์นะครับผู้วบรนณาน่าสนใจบอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเนี่ยเราอยากใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์อารมณ์ในชีวิตก็ว่าความรักความเมตตา เพราะเวลาทะเลาะกันนี้นะเราใช้เหตุผลในการที่จะโจมตีฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยืนชัว่าันถูกเราใช้่ผลเนี่ยเพื่อยืนยันว่าฉันถูกเธอผิซึ่งก็มีแต่ ท, ทให้เกิดความแตกแยกกันมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็จะก่าหาญฝ่ายที่กล้าหาญมีเหษุผลทั้งนั้นแล้วก็เติมด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์โกรธแต่ไม่ค่อยรู้ทันเท่าไหร่ หมอมาเสิร์ให้บอกว่าให้ใช้อารมณ์อารมณ์คือความรับความเมตตาหลวงพ่ออาวุธเ้าก็พูดไปเวลาลูกศิษย์ลอกหากขัดยงกันานบอกว่ท่านก็บอกว่าอย่าเอาผิดเอาถูกกันอย่าเอาผิดเอาถูกให้คิดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างอย่างสงบซึ่อันนี้มันต้องอาศัยเรื่องการ พัฒนาทางด้านอารมณ์วันนี้นอกจากสมดุลอย่างที่ว่าแล้วเนี่ ย, ยมันยัไปสมดุลอีกหลายคู่นะเช่นการทํากิจส่วนตัวกับการทํากิจส่วนวรวมเข้าใจไฮะทำกิจส่วนรวมมากไปนะกิจส่วนตัวหรือกิจภายในครนะอบครัวมไม่ได้ทําก็ลําบาก มีมีครอบครัวนหนึ่งนะาสามีเนี่ยก็ออกไปทำงานที่บ้านออกไปทำงานข้างนอ ก, นอกทำกิจกรรมหลายอย่างนะเพื่อสังคมมากมายออกแต่เช้ากลับบ้านก็อนตึ่นก็มีมีลูกสาวเล็กๆอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสามีเนี่ยหรือผู้เป็นพ่อเนี่ย กลับบ้านเร็วเสร็จงานเร็วก็กลับมากลับมาที่บ้านประมาณสักห้าห้าโมเยน็นลูกสาวก็ก็ไปเจอลูกสาวแกก็บอกว่าเนี่ยพ่อมาแล้วลูกสาวพอได้ยินก็กลั บ, บไปหาแม่บอกว่าแม่คนชื่อพ่อมาคุณเข้าใจนะคนชื่อพ่อมาแล้วคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคนนี่ยคือพ่อ ทำไพผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยอ่ะนะพอตื่นว่าเนี่ยพ่อมาแล้วเนี่ยแกก็เน้นก็ไปเริกแม่หมดเนี่ยคนชื่อพ่อมาหาแกก็ได้คิดเลยนะโอ้นี่เราไม่ได้กลับบ้านเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าลูกเลยนะลูกเลยไม่รู้เราเป็นพ่อแกนึกว่าพ่อเนี่ยปชื่อชื่อเล่นสมดุลระหว่างส่วนงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานด้านในกับงานด้านนอ้อง แต่ว่าธรรมาจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อธิบายมากที่อยากจะพูดอีกส่วนนึงคือสมนุนระหว่างคุณค่าหรือคุณธรรมธรรมาไม่้พูดถึงสมนุนระหว่างดีกับชั่วนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ควรอยู่แล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีธรรมะหมวดหนึ่งนะเรียกว่าอินสียห้าอินรี่ห้าเนี่ยก็จะมีศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิ แล้วก็สติห้าตัวเนี่ยจะมีสองคู่และสองคู่นี้ต้องต้องสมดุลกันก็คือว่าศรัทธากับปัญญาต้องสมดุลกันศรัทธามากไปนะก็งมงายได้ง่ายปัญญามากไปก็อาจจะทำอะไรไม่สําเร็จหรือว่าไม่ฟังใครเลยอย่างเช่นการมณิทเนี่ยมีศรัทธามาแต่ไม่มีศรัทธาในี่ยทุกเจ้าก็ไม่รู้ว่า คนิียูข้างหน้านี่คือพระเจ้าวพวกเราที่เคยอ่านการเมตตเนี่ยคงจำได้ใช่ไหมฮะการเมตตเจอผู้เจ้าแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อลไจากพระองค์เลยเพราะว่าไม่มีศรัทธานในพระองค์ก็การเป็นคนที่เรียก ว, ว่าถ้ามีปัญญามากมีศรัทธาก็จะเป็นแข่งกลาง้ามีวิริยะก็อาจจะไม่มีสมาธิถ้ามากไปถ้าวิริยะมากไป สมาธิมากวิริยะน้อยก็ทําให้คลายความเพียรได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยต้องต้องต้องมีบุณธรรมสองขั้เนี่ยได้สมดุลกันศรัทธาก็ต้องมีปัญญาหรือตัวอย่างตัวศรัทธาเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวกํากับส่วนปัญญาก็มีศรัทธาเป็นตัวกํากับวิริยะมีดีแล้วแตต้องมีสมาธิด้วย มีสมาธิดีแล้วแต่ต้องมีวิรยิยะเข้ามาเั้นถ้าหลายคนเนี่ยปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิมากๆนี่มันไม่อยากทำงานอยากเอาแต่นั่งอยู่ในห้องพระหลวงพ่อมัเขียนเคยเล่าตอนที่ท่านเป็นคระวาสเนี่ยท่านเล่นสมาถะมากท่าบอกเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะเวลาทําสมาธิมากๆเนี่ยมันไม่อาไปทํางาน ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะท่านจะบอกท่านจะบอกเลยว่าคุณธรรมเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมส่วนใหญ่จะต้องมีจะต้องมาเป็นคู่คู่คือทําต้องมาเป็นคู่ ค, คู่นะเช่นศรัทธากับปัญญาเราจมาพูดงสมดุลในความหมายนี้สมดุลระหว่างคุณธรรมสองตัวซึ่งจะเด่นเป็นคนละได้เวลาพูดถึงทางสายกลางเนี่ยพูดถึงเวลาพูดถึงความพอดีเนี่ยนะ พุทจ้าเนี่ยมีคําหลายในพุทศาสนาจะมีคําหลายหลายคําที่ดูใกล้เคียงกันกันเช่นทางสายกลางกับความพอดีทางสายกลางคืออยู่ระหว่างสิ่งไม่ดีสองอย่างทางสุดโต่สองทางตรงกลางนีน่เราทางสายกลางแต่ถ้าพูดถึงความพอดีนะมันหมายถึงความพอดีระหว่างคุณธรรมสองอันดีทั้งนั้นดีทั้งคู่แต่ต้องให้พอดีกัน อันหนึ่งที่มักจะเ ข, ข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือสันโดษสันโดษคือความก็คือความอยู่ง่ายเรียกง่ายนะกินน้อยใช้น้อยหลายคนเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นคนเฉื่อยชานะก็คือว่าเช่นวันนึงเนี้ยสมมติว่าต้องการร้อยบาท ทำงนานสองชั่วโมงก็ได้มาร้อยบาทนะพอละไอ้ที่เหลือนี่ก็นั่งเล่นนอนเล่นก็การมีขี้เกียจไปเฉื่อยชาไปคนเข้าใจสันโดษในความหมายนี้เยอะจนกระทั่งรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์นะปฏิวัตเิเสร็จเนี่ยขอร้องพระที่จีนเนี่ยขอร้องคือบังคับเลยอย่าสอนเรื่องสันโดษเพราะว่าเมืองไทยตอนนั้นอยู่ในยุคพัฒนาปฏิวัติเพื่อพัฒนาประเทศเงินงานคือเงินเงินคืองานบรรดาศักดิ์ จำได้มากพวกเรามีคำขวัญเนี่ยเงนคนานคืนเงินเงิน ค, นคืนค ง, งาบรรดาสุขก็คือว่าให้คนไทยต้องรีบต้องขยันทำงานนะเดี๋ยวจะได้มีความสุขก็เลยบอกว่าพระอย่าสอนเรื่องสันโดดเพราะสันโดดทั้ไทยพระทำให้ประเทศไม่พัฒนาจริงมันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่คนที่ปฏิบัติทำข้อนี้เนี่ยชวนให้เข้าใจเช่นนั้นว่าสันโดดทาให้ไม่พัฒนาเพราะว่าทาสันโดดแล้วเนี่ย เฉือชาที่จริงสันโดษต้องคู่กับวิริยะนะผู้เจ้าเวลาพูดถึงสันโดษเนี่ยจะตามมาด้วยวิริยะก็คือว่าขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ได้ขยันหมั่นเพียรเพื่อตัวเองขยันหมั่นเพียรเพื่อเพื่อธรรมะเพื่อส่วนรวมเช่นอย่างที่อาจารย์อายุทยนะวันหนึ่งต้องการร้อยบาททำงนานสอชั่วโมงก็ได้ร้อยบาทนะแทนที่จะนั่งเล่นนอนเล่นก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปช่วยและส่วนรวม ไปช่วยหลวงพ่อไปเป็นมัยวัจกรหรือไปทาสมาธิภาวนาก็ได้ไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แบบขี้เกียจแต่ว่าไปทําประโยชน์ให้สังเกตว่ า, วาทามาเนี่ยดีๆเนี่นะส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาะจะมาเป็นคู่จะมีตัวเดียวที่อยู่เดียวโดด น, นะคือสติสตินี่จะโดดมาโดดเลย ในโพชง5้าโพชงเเนี่ยนะโพชงมี7จใช่ไหมฮะจะมีจะมี3คู่แล้วหนึ่งตัวไอตัวที่ตัวโดดนี่คือสตินะที่เหลือที่เป็นคู่นะวิริยะสมาธินะแล้วก็วิริยะสมาธิใชนะ่แล้วก็ อ, ววก อ, อุเบกขาอา่อา อะไรนะพิธีกับปัสสัตติพิธีกับัสติเนี่ยจะต้องมาคู่กันนะแล้วก็มีอุเบกขากับอะไรนะธรมะธรมวิจวิยาธรรมวิจยาคือปัญญานะคือจะในในโพชงเจ็เนี่ยมันจะมีธรรมะเนี่ยเป็นคู่คู่นะเพราะว่าคู่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเล่งใช่มเช่นวิริยนะธรรมวิจยา ปิติเนะี่ยเป็นตัวเป็นตัวกระตุน้นเหมือนกับเป็นตัวกระทาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวชะลอเบรคทำให้เย็นนะก็คือสมาสธิปัจสัติและผูเบคานะมีสติตัวเดียวนะที่อยู่โดดๆเพราะว่าสติเนี่ยนะมันทาหน้าที่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมะแต่ละคู่ ในทวามเดียวกันเนี่ยนะเวลาเรามาเวลาเราพูดเรื่องทำพูดเรื่องคุณธรรมอย่างอื่เช่นสิทธิเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับหน้าที่ใช่ไหมฮะสิทธิกับหน้าที่ต้องมาด้วยกันนะสิทธิเป็นของดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีหน้าที่เป็นตัวกับกับก็บกแย่เสรีภาพเป็นของดีแต่ก็ต้องมาคู่กับวินัยนะ วินัยเพราะถ้าไม่มีไม่มีวินัยเนี่ยเส ร, รีภาพนั้นก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นและการบีเบียนตัวเองด้วยเราสอนลูกให้มีให้รักเส ร, รีภาพเนี่ยแต่ถ้าลูกไม่มีวินัยเนี่ยก็อาจจะใช้เสรีรภาพนั้นเนี่ยไปทำความดุร้ายกับผู้อื่นหรือว่าทำให้ตัวเองแย่เช่นเอ่อเที่ยวเตร่สนุกสนานนะหรือว่าทําตามใจ อิสระเป็นของดีนะแต่ก็ต้องตามมาด้วยการรับผิดชอบตัวเองถ้ารับผิดชอบตัวไม่ได้เนี่ยนะอิสระก็จะน้อยลงตามไปด้วยแอ้เดี๋ยวนี้เวลาเราสอนลูกเนี่ยนะเราก็ให้ลูกมีมีเสรีภาพมีอิสระภาพนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหายไปวินยัยความรับผิดชอบตัวเอง ที่จริงเสรีภาพอิสระภาพเนี่ยนะเขามีไว้เนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยนะหรือการการดูแลตัวน เ, เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะใช้เสรีภาพนั้นเนี่ยในการพัฒนาตัวเองและคนที่จะใช้เสรีภาพเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องมีความรับผิดชอบตัวเอง นะไม่หรือรู้จักควบคุมตัวเองได้ไม่ไม่ตกเป็นไม่ตกยอยู่ในอํานาจของกิเลสความเห็นแก่ตัวตัณหานะหรือว่าโทสะโลภะหรือโทสนะแล้วเวลาเราเวลาในเรื่องการศึกษาเนี่ยเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยหรือเรื่องการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย การทําความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างคุณธรรมสองตัวหรือระหว่างคุณธรรมแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมักจะมองอะไรเนี่ยโดดๆเช่นเวลาทําสมาธิเนี่ยก็ก็ทําสมาธิโดดๆโดยโดยที่ไม่ตระหนักว่ามันต้องมีวิริยะตามมา หรือวิริยะเป็นตัวกำกับเวลาพัฒนาปัญญานะก็ไม่เคยได้สนใจว่าเอต้องมีสัมทานเนี่ยถ้าเป็นตัวกำกับหรือเป็นตัวทวงเป็นตัวเป็นตัวทัดทานอิสรภาพก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบตัวเอง เด็กจะมีอิสระภาพไ ด, เด้เด็กก็ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะจะออกเรือนได้นี่ต้องทำยังไงฮะต้องบวชก่อนผู้ชายนะไอเป็นเพราะว่าผพ้่ไปบวชแล้วเนี่ยก็ได้ไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองรู้จักควบคุมตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ก็จะเมื่อเมื่อสืบไปก็จะมีศริภาพในการที่จะแยกเรือนไปอยู่ หรือว่ามีสามารถที่จะแต่งงานมีคู่ครองได้คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีคุณมีความรบดชอบตัวเองก่อนนะคุณถึงจะมีเสรีภาพคุณถึงจะมีอิสระภาพแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในขณะที่ยังรับชอบตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีสระนะก็มีแต่มีเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะอิสระเนี่ยหรือเสรีภาพเนี่ย มันก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทดลองได้ทดลองทำได้ทดลองใช้เสรีภาพเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเขาขึ้นพาตัวเองได้หรือไม่ตอดเวลาเราเลี้ยงดูลูกเนี่ยเราประคบประหงมลูกทุกอย่างเราเราเลือกทุกอย่างให้ลูกนะเราตัดสินทุกอย่างแทนลูกเนี่ยลูกเขาไม่มีเสริภาพในการที่จะเลือกเลยเนี่ย แล้วเขาจะรับผิดชอบตนได้อย่างไรศักดภาพส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองแน่นอนเขาอาจจะเลือกผิดแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าไอ้ น, นี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราต้องรู้จักเรียนผิดบ้างนะและที่จริงแล้วคนเราเรียนผิดได้ได้มากกว่าเรียนถูกที่เราเดินได้เพราะอะไรฮะ ตอนเด็กๆเนี่ยเราเดินไม่ได้ เ, ดเราคลานใช่ไหมฮะแล้วเราวันแรกที่เราลุกขึ้นมาเดินเนี่ยเราเดินได้หรือเปล่าเราเดินไม่ได้เราล้มใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าแม่กลัวเราล้มแม่อุ้มเราตลอดเวลาแม่พยุงเราตลอดเวลาเลยเนี่ยเราเดินได้ไหเราเดินไม่ได้เราเดินได้เพราะพ่อแม่ให้ให้โอกาสที่ที่เราเนี่ยจะล้ม ในระหว่างการลองเดินเราล้มแล้วเราก็ลุกแล้วเราก็เดินแล้วเราก็ล้มนะแล้วในท่สุดเราก็เดินได้การล้มเป็นส่วนของการเรียนรู้ให้สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองนะถ้าเราไม่รู้จักล้มเลยพ่อพ่อแม่วกลัวว่าเราจะเราจะท้อแทพ่อแม่วกลัวว่าเราจะเจ็บ เรากคงจะเดิมให้เป็ีนสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เด็กเนี่ยเขจะมีความรับชอบตัวเองได้ในส่วนนึงก็ต้องมีอิสระเสรีในการที่จะเลือกทําสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามันถูกต้องแล้วถ้ามันผิดเขาก็จะได้เรียนรู้และนั่นก็คือการกระบวนการศึกษาแบบนึงศึกษาด้วยกวารเรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าได้ลองผิดลองถูกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของสรีภาพอย่างสรีภาพทําให้เกิดความรับผิดชอบตัวเองแล้วเมื่อรับผิดชอบตัวเองได้มากก็จะมีก็จะได้รับเสรีภาพมากขึ้นนะวีไหนก็เหมือนกันวินัยกับกับเสรีภาพก็เป็นสิ่งจําเป็น อาตมาพุก่กลับมาจากยุโรปนะยุโรปเนี่ยก็เป็นประเทศซึ่งเป็นทวีปหึ่งซึ่งจะมีเซริปภาพผู้คนมีเซริปภาพมากเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งกัญชานะในเนเธอร์แลนด์ก็สูตได้พี่เพื่อนพาไปนะในตลาดเมืองปูเสร็จแล้วก็เชี่ยวไปที่คอฟฟี่ชอ็อปเราก็นึกว่าร้านกาแฟ เพราะว่าไอ้ที่นก็คือร้านสูบกัญชาขายกัญชาถ้าดิเงียร์แฟนก็ไปคาเฟ่นะจะไปขอฟชชั่งนะแต่ก็ฟิ ช, นะฟชนี่เจอเจอกลิ่นกัญชาเข้าไปอัตอมาก็ได้รู้จักปิดกัญชาก็ตอนผ่านไอ้ร้านข้อฟชชั่งนี่นะกัญชาเนี่ยเขาซื้อขายได้ถูกกฎหมายนะ แต่เขาก็มีระเบียบกฎเกณ์มากมายประเทศยุโรปเนี่ยก็มีคนมีศัก์อิสระเ ส, สรีภาพเยอะแต่ว่าระเบียบเนี่ยยุ่งยินมากเลยนะคุณอยู่ในอยู่ในในบ้านพักเนี่ยในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเวลาที่คุณจะดูดฝุน่นได้เนี่ยมันก็มีกำหนดเอาไว้ว่าทำได้กี่โมงใช่ไหม พเขาใส่ใจเรื่องเสียงเสียงดังมากวันอาทิตย์ทำงานไม่ได้วันอาทิตย์ร้านต้องปิดใช่ไหมหน้าบ้านบ้านคุณเนี่ยถ้ารกเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปฟ้องไปฟ้องจเจ้าที่ให้มาจัดการกับบ้านคุณนะว่าทำไมปล่อยบ้านรกทั้งที่เราด้วยว่าเ้มาบ้านคุณมันดูอะไรคนไทยแบบนี้ใช่ไหมบ้านกูเนี่ยใช่ไหมไม่ไดนะ้ตึกเนี่ยนะ ถ้าเป็นตึกโบราณเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยต้องไม่แตะต้องไม่ไม่ไม่ไม่ัมมดแปลงส่วนข้างในข้างหลังจะดัดแปลงก็ไม่ว่าก็จะมีระเบียบเยอะแต่ น, นั้นก็คือสิ่งที่เสริมทำให้สวิตภาพเนี่ยมีได้เต็มที่โดยพเพราะสวิภาพที่เรื่องสําคัญเช่นสวิตภาพในการแสดงความเห็นสวิตภาพในการใช้ชีวิต เมืองไทยแล้วเนี่เราเราไม่ค่อยมีเรื่องไม่ค่อยมีเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับวินยัยเกี่ยวกับระเบียบนะของชุมชนก็ดีของส่วนรวมก็ดีเพราะนั้นเสรภาพของเราจริงๆมันก็เลยไม่งอกนาหรือว่าไม่พัฒนาเต็มที่หรือว่า ไม่มีการส่งเสริมให้เกิดสิ่งผ้าขึ้นมาเพราะว่าการขาดวินัยดังนเวลาเราเวลาเราเรีย้ยงดูเวลาเราเลี้ยงดูลูกหรือว่าเราเติมเงินชิดของเราก็ตามเนี่ยให้ตระหนักว่ามันไปคู่กันเสมอฮะคุณธรรมสองอย่างสองประการซึ่งดูมันคนละขั่วศิลาพกับวิ น, นัยเนดูเหมือนไปคนละทางเลยแต่มันช่วยกันมันเกื้อกูลกันซึ่งเราต้องรู้จักจับวางให้สมดุล ถ้าเราจะมีศักยภาพได้เราก็ต้องรู้จักวิ น, นัยถ้ารูปเราจะมีอิสระภาพได้ก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองแต่ก็ต้องตระหนักว่าความรับชอบในตัวเองเกิดขึ้นได้เฉพาะมีอิสระภาพในการเลือกด้วยต่อมาก็พูดพอสมควรนะเรื่องเกี่ยวกับการจดเงินชโดยในเรื่องความสมดุล น, นะซึ่งมันมีอยู่หลายคู่นะ อันนี้ก็แล้วแต่ไปพิจารณาเราคิดว่าช่วงครึ่งแรกก็เท่านี้ก่อนต อ, อนนี้ก็ใหญ่พวกเราได้พักเปลี่ยนที่พักหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมามาต่อรายการมาเชิญกนะ็ยัง